คำถามบันทึกหรือยงังบันทึกแล้วนะธาตุขันเริ่มดีขึ้นมาก็เลยได้มาคุยกันทางเพจวันนี้สองสมวันก่อนก็อก่อนเพีย่ก็มีทุร น, นิดหน่อย ดูเหมือนคำถามจะไม่ค่อยมากแต่ว่าความคิดเห็นที่เขียนเข้ามาถามว่านาลาชินตินถามว่าบทสวดธรรมจักรปวัตตนสูตรเนี่ย <c oughs> ยกยกหัวพระสูตรมาชื่อพระสูตรมาก็ไม่เต็มธรรมจักรวัดสูตรอย่างเงี้ยเขียนตกเขาเล้วอคาลระวิบัต การเขียนข้อธรรมใดๆก็ตามหากเขียนไม่เต็มเขียนผิดเขียนพลาดจะทำให้อคระที่สื่อสารทางธรรมนั้นวิบัติอคระวิบัติเป็นสาเหตุหนึ่งที่ทำให้พุทธศาสนาเสื่อมเพราะฉะนั้นเราจะเขียนข้อธรรมในการถามใดๆก็ตามพยายามเขียนให้ถูกตามหัวข้อของพระสูตรหรือชื่อของพระสูตรนั้นๆทำมาจัด วัดสูตรอันนี้ไม่มีในทางหลักศาสนาแต่ที่ถูกต้องก็คือทำมาจากกัปปวัตตะนสูตรต้องเขียนอย่างนี้นะการเขียนไม่ว่าจะเป็นคําถามทางธรรมะหรือเขียนถึงข้อธรรมทางธรรมะทางหลักธรรมหากการเขียนนั้นผิดพลาดเล็กบกพร่องหรือขาดหายไปไม่สมบูรณ์ ถือว่าเป็นโทษอย่างหนึ่งมีส่วนแห่งความเป็นบาปด้วยบาปในการทำลายพุทธศาสนาพยายามเขียนให้ถูกสะกดก่อนค่อยส่งมาไม่ต้องรีบเพราะคนตอบก็ไม่ได้รีบตอบเท่าไหร่ตั้งคำถามไว้นะทนรอฟังคำตอบบ้างนะไม่ต้องรีบขนาดนั้นว่าเขียนเขียนเขียนมาคือมันก็พอจะรู้กันได้อยู่แต่ว่า ถ้าไปเจอบางคนที่เขาไม่ทราบในบทธรรมนี้หรือหอหัว ข, อข้อธ ร, รรมนี้จะอาจจะยึดถือผิดทำมาจากวัดสูตรเนี่ยมันไม่มี ม, มีแต่ทำมาจากกับปวัตนาสูตรในหมู่บุคคลผู้ศึกษามาก็จะเรียนรู้เข้าใจอยู่แต่คนที่ไม่ได้ศึกษามาอ่านก็จะเข้าใจผิดว่าทำจากวัดสูตรมันอยู่ที่ไหนสูตรไหนในพระไตรปิฎกมีไหมันไม่มีเพราะฉะนั้นการเขียนต้องต้องรอบคอบหน่อย ข อ, ขอให้รอบพอบทสวรรดทำมาจากกัะเปวัตถนสูตรสวดได้ไหมหากบุคคลใดก็ตามเข้าใจในบทสวดนี้ทุกข้อความที่สวดออกไปมีความเข้าใจในบทธรรมนี้สวดได้เพราะยิ่งสวดยิ่งสร้างความเข้าใจให้กับจิตใจอยู่ตลอดเวลาแต่หากบุคคลใดไม่ได้เข้าใจในข้อ ข้อความในบทสวดในธรรมจักรกับปวนสูตรขึ้นต้นไ ว, ว้ว่าเอวามีสุตังเอกังสมยังภะกาวาบารณสียังวิหรารติอิสิปตเนมิ ก, กะดาเยเป็นข้อธรรมที่เราจะต้องรู้และเข้าใจว่าเอวามสุตังเอกังสมายังภะกาวาเนี่ยมันคืออะไรหากบุคคลผู้สวดไม่รู้ไม่เข้าใจว่าข้อข้อ น, นี้กล่าวถึงอะไรหรือพูดถึงอะไรหรือมีความหมายว่าอย่างไรแล้วไปสวด ก็ไม่ควรสวดเพราะนั่นเป็นการสวดที่ไม่ได้รู้เรื่องและไม่ได้เข้าใจแต่หากรู้ความหมายของการสวดว่าเอว่าเมสุตังคืออะไรยังอัตมารู้เนี่ยรู้ว่ามันคืออะไรแปลว่าอย่างไงเนื้อความในธรรมนั้นเป็นเป็นอย่างไรก็สวดได้แต่ก็ไม่จำเป็นต้องสวดเพราะรู้แล้วก็ไม่จําเป็นต้องสวดมีอยู่คราวครั้งหนึ่งที่พิสุรูปหนึ่งพยายามภาคเพียนเจริญกาารรมฐานปฏิบัติภาวนาสาธยายบทธรรมของพระพุทธเจ้าอยู่ในราวป่า สวสวดสวดสวบทธรรมสาธยายนะพูดง่ายสาธยายบทธรรมที่ทรงจํามาจนบทธรรมที่สาธ ย, ยายนั้นเกิดความรู้แจ้งในภายในพอเกิดความรู้แจ้งในภายในแล้วท่านก็หยุดสวดเทวดาที่สถิตอยู่ในลาวป่าสถิตตามต้นไม้เคยฟังบทสาธยายธรรมของทิ่สูรูปนี้อยู่ทุกวันทุกวันเกิดความปีติยินดีในบทสวดแต่มีอยู่วันหนึ่ง วันที่ภิกษุรู้แจ้งในบทธรรมนั้นแล้วหยุดสวดนะเทวราไม่ได้ยินบทสวดก็เลยเกิดความสงสัยว่าภิกษุนี้คลายความความเพียรแล้วหนอะขี้เกียจไม่ตั้งมั่นอยู่ในทำคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าไม่ภาคเพียรไม่มีการสาธยายบทธรรมคือบทสวดมนตั่นแหละเราพูดง่ายๆถ้าพูดจะพูดถึงวัวหานคนยุค น, นี้นะบทสวดมนภิกษุเหล่านั้น พิสูจน์นั้นซึ่งเป็นผู้รู้แจ้งในบทธรรมก็โน้มจิตไปเสเวยแต่บิดมุติสุขไม่สนใจกับการสวดอีกเลยตลอดการในวันนั้นมาตั้งแต่วันนั้นมาไม่สวดอีกเลยเทวดานี้ซึ่งเคยได้ยินบทสวดอยู่เป็นประจำด้วยความติดจนคุ้นหูแล้วไม่ ไ, มได้ยินในวันนั้นก็เลยรู้สึกหงุดหงิดไม่คล้ายๆอยากจะยินบทได้ยินบทสวดนี่นคือการติดในบทสวดนะการติดในบทสวดนี่อันตรายคันติดแม้บทสวดนั้น่ะ เป็นเป็นบทธรรมก็จริงแต่ติดเนี่ยมันก็ไม่ดีพ่อไม่ได้รู้เนื้อหาของธรรมเทวดานั้นก็เลยปากรตัวว่ามาต่อหน้าพระภิกษุแล้ะกล่าวต่อภิกษุว่าท่านเป็นผู้คลายความเพียรเสร็จแล้วเป็นผู้ประมาทเป็นผู้ขี้เกียจทําไมไม่สาธยายบทธรรมของสมมาสัมพุทธเจ้าภิกษุนั้นบอกว่าประโยชน์อะไรกับการสวด <c oughs> ประโยชน์อะไรกับการสาธยายกิจของการสวดไม่มีกิจของการสาธยายไม่มีอีกแล้ว ฉะนั้นจุดประสงค์ของการสาธยายหมายถึงว่าบุคคลผู้สวดหรือสาธยายนั้นจะต้องเป็นการสวดและสาธยายเพื่อให้ตนเองเข้าใจในเนื้อหาธรรมไม่ใช่สวดเพื่อบูชาสักการะ uh, เส้นสวงเส้นไหว้กราบไหว้หรืออะไรต่างๆที่เข้าใจในแง่มุมอื่นแต่การสวดนั้นจะต้องเป็นการสวดเพื่อให้จิตได้เข้าใจในเนื้อหาธรรมแต่โดยส่วนมากแล้วบุคคลผู้สวดจะไม่ค่อยเข้าใจเนื้อหาของการสวดเมื่อไม่เข้าใจเข้าใจเนื้อหาของการสวด จิตจะไปเข้าใจเนื้อหาของธรรมที่สวดขึ้นมาได้อย่างไรจะไปเข้าใจไม่ได้เพราะนั้นการสวดจึงเป็นการสวดเพราะการยึดติดติดอยู่กับบทสวดว่าเป็นบทสวดที่ดีไม่ต่างจากเทวดาผู้ได้ยินบทสวดนั้นเทวดาที่ชื่นชอบในบทสวดก็มีแต่เป็นเทวดาประเภทที่ชั้นต่ำไปเชิประเภทที่ชั้นที่เรียกว่า ฉันของความงมงายเทวดาที่งมงายก็มีนะไม่ใช่ว่าเทวดาจะดีเสมอไปเทวดาประเภทที่สติปัญญ า, าไม่พัฒนาก้าวไปสู่การปฏิบัติเป็นเทวดาที่ติดอยู่เพียงแค่ความไพเราะความเป็นบทธรรมเท่านั้นไม่ได้รู้เรื่องหรือไม่ได้เข้าใจเนื้อหาของธรรมอันเนี้ย อาตมาก็ยอมรับว่าบทสวดบางบทสวดเขาแต่งออกมาได้ภายละแล้วก็สวดได้ออกมาในทรรนองที่ภายละแต่การยึดติดในเสียงที่ภายละพระพุทธเจ้าบอกว่าจิตย่อมห่างออกจากสมาธิจิตที่ห่างออกจากสมาธิย่อมไม่ตั้งมัน่นเมื่อจิตไม่ตั้งมัน่นย่อมเกิดลาข้าในเสียงยินดีในเสียงจิตจมเป็นไปเพื่อความฟุ้งซ่านในเสียงไม่ตั้งมัน่นจิตที่ไม่ตั้งมั่นก็ไม่สามารถรู้เห็นทำตามความเป็นจริงได้จุดประสงค์ของพระพุทธองค์มีจุดบุ่งหมายเพื่อให้เข้าไปรู้เห็นทำตามความเป็นจริง ที่เรียกว่ารู้เห็นด้วยญาณทัศนะคือรู้เห็นตามคอามเป็นจริงในหลักธรรมในสภาวธรรมไม่ใช่สวดสวดสวดสวดสวดกันไม่รู้ไม่รู้กี่ปีกี่พบกี่ชาติกระสวดกันอยู่อย่างนั้นสวดได้ไหมถ้ารู้เรื่องสวดได้แต่ถ้าไม่รู้เรื่องอย่าสวดดีกว่าเพราะมันจะเกิดโทษโทษในเรื่องการติดยึดเข้าใจเนาะคนที่นี่เข้าใจ ในเพจน่าจะเข้าใจกันอยู่นะเ บ, บชัยเดิมแสดงความเห็นไม่ใช่คำถามพระพุทธเจ้าไม่ได้ตัดให้เอาพระพุทธรูปเป็นตัวแทนพ่อองค์อันนี้ใช่ทรงมีรับสั่งว่าพระธรรมวินยัยพระธรรมพระวินัยที่เราตถาคตแสดงบัญญัติแล้วพระวินยัยพระธรรมนั่นเป็นตัวแทนเราตถาคตไม่ใช่เหรอครับใช่ถูกต้อง นี่คือต่อตามพุทธบัญญัติหรือพุทธพจน์ของพระพุทธเจ้าคือพระพุทธเจ้าบอกให้เอาทำและวินัยคือยึดถือตามพระพุทธเจ้าชัดมากคระวอาจารย์ที่อเมริกาอเมริกาชัดเมืองไทยไม่ชัดนะอเมริกาชัดอยู่ ข้ามหาพิเชษตดนเจิม เ, เคยแสดงความคิดเห็นมาตั้งแต่ครั้งก่อนนู้นเรื่องพุร์ทูลูเป็นตัวแทนพระพุทธเจ้าที่เหมือนกับลูกพอ่อลูกแม่นั้นอธิบายไปแล้วนะวนะอันนี้ท่านได้แสดงความเห็นเข้ามาอีกว่าพระพุทธเจ้าเคยชมเชยพรามที่บูชาพระสุวรรณเจดีย์ของพระสมมาสัมพุทธเจ้ากัสปะว่าไม่มีใครสามารถที่จะนับบุญของผู้บูชาพระพุทธเจ้าหรือสาวกของพระพุทธเจ้าผู้ก้าวล่วงธรรมเป็นเห็นเนิ่นช้าทำเป็นเครื่องเนิ่นช้า น่าจะเป็นอย่างนั้นผู้ข้ามฟังแห่งความโศกและปริเทวะได้เลยและทรงตรัสว่าเมื่อจิตเสมอผลย่อมเสมอสัตว์ทั้งหลายทั้งสัตว์ทั้งหลายย่อมไปสู่สวรรค์เพราะความเลื่อมใสแห่งใจนี่เป็นการยก เ, เรื่องของการบูชาสุวรรณเจดีคือพูดในส่วนของบุญนะพูดในส่วนของบุญบุญเนี่ยเป็นเครื่องส่งผลให้เป็นไปในวัตถนะ ต้องเข้าใจว่าขอบเขตของบุญเนี่ยส่งผลให้เป็นไปในวัตถะแน่นอนว่าการบูชาสุวรรณเจดีเราต้องแยกคําว่าเจดีกับพุทธรูปให้ออกเจดี <c oughs> นี้เป็นสิ่งที่พระเจ้าทรงอนุญาตไว้ใช่ไหมพูดง่ายๆว่าสิ่งที่เป็นที่ควรค่าแก่การสักการะเคารพบูชาในเรื่องของอามิตคือวัตถุที่พระองค์ทรงอนุญาตไว้มีอะไรบ้างธาตุเจดีธาตุเจดีหมายถึงว่าที่ ตัวาธาตุเจดีที่แท้จริงก็คืออัติธาตุหรือว่าเรียกว่าพระบร ม, มาสารีริกธาตุของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าและของพระอรหันตสาวก ค, คือพระบร ม, มาสารีริกธาตุกับพระอัติธาตุของพระพุทธเจ้ากับพระสาวกแต่ในคำว่ า, าธาตุเจดีเนี่ยมุ่งหมายกล่าวเฉพาะพระบร ม, มาสารีริกธาตุเท่านั้น เดววาถาดเจดีนี่คือสิ่งที่พระองค์ทรงอนุญาตให้สัก ก, การะบ่ายบูชาของภาษาวกก็ให้ให้สักการะบูชามันกันจัดอยู่ในส่วนของถาดเจดีเหมือนกันบริโภคเจดีคือที่ที่พระองค์ทรงเคยบริโภคใช้สอยมีตนโพมีกุฏิมีผ้าบังสุ kul ของพระองค์เครื่องใช้ไม้สอยรวมไปถึงรองเท้ามี ที่ประสูติที่ประสูติตัสสรุ ป, ปริธิพันธ์คือเป็นเป็นเป็นวัตถุหรือว่าเป็นที่สักระที่พระองค์ทรงอนุญาตไว้เรียกว่าบริโภคเจดีย์กับเจดีย์อีกหนึ่งเรียกว่าอุดเดศิกะเจดีย์อุดเดสิกะเจดีย์พระองค์ทรงตรัสบอกว่าอุดเดศิกะเจดีย์นี้ไม่มีวัตถุปรากฏจะไม่สามารถกล่าวชี้ชัดลงไปในอันใดอันหนึ่งว่า อะไรคืออุเดสิกะเจดีแต่ในคําว่าอุเดสิกะเจดีนั้นพระองค์ทรงบอกว่าคําว่าอุเดสิกะเจดีนั้นเป็นสิ่งที่เนื่องด้วยพระธรรคตอะไรก็ตามที่เนื่องด้วยพระธรรมคตที่ไม่ใช่วัตถุนะ ต, ต, ต้องต้องต้องเข้ากันกับหลักนี้ด้วยอุเดสิกะเจดีไม่มีวัตถุปรากฏแต่เป็นสิ่งที่เนื่องด้วยพระธรรมคดคำหน้ากับคําหลังต้องเข้ากัน อะไรก็ตามที่เนื่องด้วยวัตถุแต่ไมอ่อะไรก็ตามที่เนื่องด้วยพระตถาคตแต่ไม่ใช่วัตถุ อ, อันนั้นอ่ะเรียกว่าอุเดศิกาเจดีเช่นอะไรบ้างการกล่าวทำบุคคลผู้กล่าวทำหรือผู้แสดงทำนั่นคือเป็นกล่าวกล่าวถึงอุเดศิกาเจดีมันคือเป็นสิ่งที่กล่าวถึงพระธรรคตบุคคลผู้กล่าวเป็นอุเดศิกาเจดีแต่ตัวบุคคลไม่ใช่เจดีบุคคลผู้กล่าวทำที่ออกมาจากตัวของบุคคลนั้นอ่ะเป็นอุเดศิกาเจดี บุคคลผู้กล่าวทำจึงเป็นบุคคลผู้ควรค่าแก่การเคารพใช่ไหมนั่นคืออุเดสิกะเจดีอะไรอีกการโน้มจิตแล้วลึกถึงเข้าใจไหมพระพุทธเจ้าพระธรรมโพสงุงคำว่าพระพุทธเจ้าพระธรรมโพสเนี่ยไม่ใช่วัตถุใช่ไหมเป็นนามนั่นจึงเป็นอุเดสิกะเจดีเกี่ยวเกี่ยวเนื่องกันเป็นอุเดสิกาเจดีเพราะนั้นใครก็ตามแลลึกถึงพระพุทธเจ้าพระธรรมโสงก็ได้เท่ากับว่าได้บูชา ใช่ไหมได้สักการะ บ, บูชาในในส่วนของอุเดศิกาเจดีเพราะไม่ใช่วัตถุปรากฏแต่เป็นสิ่งที่นุ่งพัะตถาคตในภายหลังเขาจัดพระพุทธ ร, รูปลงในอุเดศิกาเจดีจะขัดแย้งกับคําว่าไม่มีวัตถุปรากฏของที่โพลทรงตักใช่ไหมเนื่องด้วยตถาคตก็จริงแต่ในคานนําว่าอุเดศิกาเจดีนั้นกล่าวไว้ชัดเจนว่าไม่มีวัตถุปรากฏแตใแบบ่ในแบบเรียนในแบบเรียนในตําราที่ท ติแต่งขึ้นมาเนี่ยจัดพุทธรูปอยู่ในอุเดศิก JD, าเจดีจะขัดแย้งกับพุทธเจ้าโดยตรงเพราะฉะนั้นต้องแยกแยกให้ออกและต้องแยกแยะด้วยว่าเจดีอีกแบบหนึง่งพุทธรูปอีกแบบหนึง่งพุทธรูปคือพุทธรูปไม่ใช่เจดีเจดีคือเจดีหมายถึงพระบรมสารีริกธาตุและก็บริโภคเจดีและก็อุเดสิกะเจดีนั้นคือเจดีส่วนการสร้างวัตถุที่บรรจุพระบรมสารีริกธาตุนั้น นั่นเรียกว่าอะไรเรียกว่าสถูปใช่ั้ยสร้างที่บรรจุวัตถุที่บรรจุอ่ะจะเป็นทรงสถูปยอดแหลมๆพระปางพระสถูปพระ อ, อะไรก็ตามที่ที่สร้างขึ้นมาเพื่อบรรจุอันอันที่สร้างบรรจุไม่ได้เรียกเจดีแต่อันที่สร้างบรรจุน่ะถูกเรียกเจดีโดยการที่พระบรมสารีริกธาตุนั้นเป็นเจดี เข้าใจไหพุทธองค์บอกว่าธาตุเจดีเกิดขึ้นต่อเมื่อสถาพลดชีวิตไปแล้วจึงมีธาตุเจดีคือพระบ ร, รมสารีริกธาตุของพระองค์ส่วนเอาธาตุเจดีเนี่ยไปบรรจุในสถูปใดสถูปนั้นจึงถูกเรียกว่าเจดีด้วยเราจึงมักจะเข้าใจคําว่าเจดีหมายถึงว่าสิ่งที่สร้างเพื่อบรรจุที่ก่อสร้างขึ้นมาเพื่อบรรจุแล้วมียอดแหลมๆนั่นคือเจอดีเราเข้าใจอย่างนั้นเพราะนั่น ต, ต้องแยกให้ออก อ, อ, อใช่มีทรง หากว่าพระพุทธรูปใดมีพระบรมสารีริกธาตุของพุนเจ้าบรรจุในนั้น พ, พุทธรูปนั้นเป็นเจดีย์ได okay. ้ไหมไม่ใช่ไม่ใช่หากว่าพระพุทธรูปใดมีพระบรมสารีริกธาตุเช่นเขาจะเอาเอาใส่ไว้บริเวณเสียนที่ถอดได้เขาจะใส่เลยนะฮะพุทธรูปนั้นได้จัดว่าเป็นเจดีย์ไหมเป็นเจดีย์แต่หากพุทธรูปใด ไม่ได้บรรจุพระบรมสารีาริกธาตุของพุสธมาสัมพุทธเจ้าเป็นเจดีได้ไห ม, ไมเป็นเจดีไม่ได้ผู้กราบไหว้จะต้องกราบไหว้ด้วยความเข้าใจด้วยว่าเรากลาบไหว้พระบรมสารีาริกธาตุคือเป็นธาตุเจดีเราไม่ได้กราบไหว้ในรูปเคารพนะต้องเข้าใจอย่างนั้น<ว><า>ถ้าเราแยกแยะไม่ออกเราจะมาพิจารกันว่าการไหว้เจดีกับไหว้ทุทธลูกต่างกันอย่างไรแต่ต้องเข้าใจนะพระองค์แม้จะบอกว่า การกราบไหว้เจดีย์เนี่ยแม้จะยังบุญกุศลที่ของบุคคลผู้กระทำน่ะประมาณไม่ได้แต่ขอบเขตของบุญนั้นได้แค่สวรรค์คือได้แค่ให้เป็นไปในวัฏฏะเท่านั้นเองไม่เกินไปกว่า น, นั้นถามว่าหละคคำสองผู้เจ้าหยุดอยู่เพียงแค่ให้มีบุญประกอบบุญไปเป็นไปในวัฏฏะหรือเปล่าไมนะ่จึงมีผู้รู้ ผู้ท้าประสงค์ของพระโตองค์คือพระอัตถกถาทั้งหลายยังบอกว่าการสร้างเจดีพันเจดีวิหารพันวิหารก็ไม่ได้ชื่อว่าเป็นการสืบต่อพระศาสนาเพราะอะไรเพราะบุญของบุคคลใดทําไว้บุญก็เป็นเฉพาะของผู้นั้นคือเป็นเรื่องส่วนตัวของคนไม่ได้เป็นเครื่องสืบต่อศาสนาใครทําคนนั้นได้บุญก็คนนั้นตายก็หมดแล้วคนนั้นก็ไปเสวยผลบุญแต่เรื่องของการสืบต่อศาสนาเนี่ยเป็นสิ่งที่มีความสําคัญกว่าใช่ไหม การสืบต่อศาสนาเป็นสิ่งที่มีความสัมพันธ์กว่ากว่าการที่จะประสงค์สักการะอะไรอย่างใดอย่างหนึ่งแล้วเอาบุญทําแค่เอาบุญน่ะผู้เจ้าบอกว่ามันก็ดีแต่เป็นความดีชั้นเร็วแต่บอกว่าดีเล็วนี่คุณก็บอกว่ามันดียังไงดีเล็วดีชั้นเร็วชั้นชั้นเฉพาะตนเองบุญใครทําก็ได้เฉพาะคนนั้นไม่ได้ไปไปสืบต่อศาสนา เจดีสืบต่อศาสนาไม่ได้หากเจดีสืบต่อศาสนาได้เขาประเทศอะไรที่มีเจดีเยอะๆอย่าว่าแต่ประเทศหรือเลยขนาดาขนาดเออพมา่าพม่าก็ก็สืบต่อได้อยู่แต่ว่ายุคสมัยพระเจ้าอาโศกสร้างเจดีแปด 4% มื่พันเจดีวิหาร 84% ดหมี่ันวิหารศาสนา ก, ก็ยังหมดอินเดียจากอินเดียเห็น mm hmm. ไ, ไหม เพราะฉะนั้นไม่ได้เกี่ยวกับการสืบต่อได้บุญไหมได้บุญใช่เฉพาะบุคคลเท่านั้นอุ้มอิ่มทำ ม, มาว่าจำเป็นไหมเจ้าคะที่ต้องถืออุโบสถศีลความจำเป็นหรือไม่จำเป็นไม่สามารถบอกได้นะความจำเป็น หรือไม่จําเป็นเราต้องทราบขึ้นมาด้วยตนเองว่าศีลอุโบสถนั้นอำนวยประโยชน์อะไรให้กับเราและเรามีความจําเป็นอย่างไรจึงจะต้องยึดถือในศีลอุโบสถนั้นให้ศึกษาศีลอุโบสถให้ดีว่าศีลอุโบสถนั้นให้ประโยชน์อะไรกับชีวิตเราหากเราไม่เห็นประโยชน์ของศีลอุโบสถการสมาทานหรือการยึดถือมันก็เป็นเพียงแค่ตามธรรมเนียมประเพณีเพราะเราไม่ได้เห็นคุณค่าเราคิดแต่ว่าได้บุญได้บุญได้บุ ญ, บญมัน พระจะสอนให้เราเอาแค่บุญแค่นั้นเหรอมันมันไม่ใช่แค่ได้บุญนะเรื่องของศีล น, นี่เป็นเรื่องของสติของปัญญาที่เราจะต้องทำความเข้าใจให้มากยิ่งขึ้นมันเป็นเรื่องของการชำระกิเลสคิดดูว่าศีลอุโบสถศีลมีแปดข้อใช่ไหมศีลอุโบสถเนี่ยห้าข้อแรกเรารู้กันอยู่แล้วอ่าสามข้อหลังเนี่ยบริโภคอาหารในเวลาพิการถามว่า ววนกาาาหรรเเลิคนทั่วไปกินก็คือเรื่องปกติใช่ไหมแต่สําหรับบุคนผู้ถือศีลอุปสษดทาไมถึงกินอาหารในเวลาวิการไม่ได้นั้นเป็นเรื่องของการชําระกิเลสไปแล้วนะกิเลสที่ติดอยู่กับการกินกินไม่เลิกไม่แล้วอะไรประเภทนี้กินมีรู้กี่เวลาเป็นกี่เวลาให้ความสําคัญแต่กับการกินอย่างเงี้ยเราก็เสียเวลาเสียสติไปกับเรื่องของการกินแต่ถ้าเรามาสองบอลสำรวจท้องเวลา วิการไปหลังจากนั้นเราไม่ต้องไปยุ่งกับการทำอาหากินจิตเราก็ยดงอยู่กับตัวเองแล้วก็เป็นการเห็นจิตที่มันเคยติดอยู่กับการกินนั้น่ะอยากขึ้นมาก็จะเห็นอาการอยา ก, อยากอยู่ภายในหิวขึ้นมาก็จะได้เรียนรู้ว่าจิตที่มันติดอยู่เป็นยังไงมันเป็นเรื่องของการชําระกิเลสคนทั่วไปถือศีลห้านอนบนเตียงต่างอันนุ่มอันสูงยับด้วยนุ่นและสมดีได้ใช่ไหมแต่คนถือศีลอนุบสดไม่ได้เพราะอะไร เราแทบจะไม่รู้เลยว่าการนอนบนที่นั่งที่นอนอันสูงใหญ่แยัด้นื่นสัสำดีเนี่ยเป็นสิ่งที่มีโทษเราทุกคนไม่รู้เป็นบาปอ่อนๆเราไม่รู้นะผู้เจ้าจึงให้ม ง, งดเว้นเพื่อให้เราได้รู้ได้รู้ว่ามันเป็นบาปยังไงเวลาไปนอนที่แข็งๆพื้นที่พื้นธรรมดาเนี่ยเป็นยังไงไม่เคยชอบว่ามันคุ้นไม่คุ้นเคยมันเจ็บเนื้อเจ็บตัวบางคนว่าอย่างนั้นนะก็จะได้เรียนรู้ไงความทุกข์ในกายเป็นยังไง และห้ามขับล้องประโคมดนตรีดูการละเล่นคนทั่วไปก็มองเป็นธรรมดาใช่ไหมดูได้เล่นได้แต่ผู้ถือศีลนั้นไม่ได้ถือว่าเป็นฆ่าสศีเพราะใจเราไปอยู่กับเรื่องนั้นๆ น, น, นี่คือใจห่างออกจากตัวอย่างเงี้ยเราแทบจะไม่รู้ว่าการดูสิ่งเหล่านี้เป็นบาปพอเรามาสมาทานศีลในพวกนี้เราจึงรู้ว่าเป็นเรื่องของบาปบาป อ, อ่ อ, อนๆ อ, อ, อ่ะเข้าใจไหเพราะฉะนั้นชีวิตของมนุษย์โดยทั่วไปแม้จะถือศีลห้าเองก็ตามก็มีชีวิตที่เปื้อนอยู่ด้วยบาป แต่การที่รักษาศีลห้าได้ทำให้ไม่ต้องไปชดใช้บาปนะมันคุ้มครองเราให้เกิดอยู่ในสถานะความเป็นมนุษย์อีกครั้งนะีเพราะนั้นศีลอุโบสถจะจำเป็นหรือไม่จำเป็นขึ้นอยู่กับเราเห็นคุณค่าและประโยชน์ของศีกขาบทแปดประการนั้นหรือเปล่าถ้าเห็นคุณค่าก็ควรจาเป็นอย่างยิ่งแต่พระเจ้าก็บอกอยังไง ไม่ได้บังคับให้ใครมาถือแต่ให้เป็นความสมัครใจสมัครใจหมายถึงว่าพอใจเต็มใจยินดีที่จะรักษาด้วยตัวเองและองค์ก็สารเสวน์ด้วยบุคคลผู้สมาทานศีลอุโบสถว่าเป็นศีลที่พระอริยเจ้าทั้งหลายพอใจรักให่ดีพระรเจ้าเห็นแล้วก็จะชื่นชมอย่างเงี้ยพระมหาพิเชษวงโดนเจมได้แสดงความคิดเห็นเข้ามาว่าถ้าศีลขันธ์ห้าไม่เกี่ยวกับใจ ใจส่วนใจถ้า4ี่คันหเป็นสิ่งที่วายวายตามสภาพปกติของธรรมให้ปล่อยจิตตามสภาพแห่งจิตปล่อยธรรมตามสภาพแห่งธรรมสรุปคือให้ใจอยู่เหนือผู้รู้และสิ่งที่รู้ทั้งมวลที่เป็นนั้นเป็นวิปัสสุกิเลสขอรับท่านพระอาจารย์เป็นความคิดเห็นที่แสดงเข้ามาไม่ไม่ใช่คําถามแต่ก็เป็นความคิดเห็นที่เราเราจะต้องทำความเข้าใจ ธาตุสขันห้าไม่เกี่ยวกับใจธาตุสขันห้าเกี่ยวกับใจไหมเกี่ยวเกี่ยวยังไงก็ธาตุสก็ดินน้ำไฟลมขันห้าครลูกไปพนาสัญญาสำคัญวิญญาณแลนก็มีแล้วใจอ่ะก็เกิดทับสะท่านายตรมะก็เข้าไปใจเกิดไปข้างในร่างใจนั่นหมายถึงว่า มีการบัญญัติธาตุ4ีขันห้าและบัญญัติใจเป็นอีกส่วนหนึ่งที่นอ ก, นอกจากธาตุสขันห้าถ้าจะพูดถึงในในการแสดงความคิดเห็นในนี้มาธาตุสีขันห้าผู้ได้เจ้าบัญญัติใช่ไหม <Okay. S 1> ใจพู้ได้เจ้าได้บัญญัติไหมผู้ได้เจ้าได้บัญญัติคาว่าใจไหมจิตจิตเนี่ยพูดถึงอยู่แต่ใจเนี่ยได้พูดถึงไหมธาต<จ>ุสีคือส่วนแห่งรูปประคันเวทนาสัญญาสังขารวิ ญ, ญญาณอยู่ในส่วนนามขัน รูปประคันอยู่ในส่วนกายนามาขันอยู่ในส่วนจิ ต, จตกายกับจิตคือท่าสี่กับขันห้าถูกต้องไหมเพราะจิตจะมีอยู่ก็อาศัยการปรุงแต่งคือเจตสิกเจตสิกใดคือธรรมชาติใดเป็นเครื่องปรุงแต่งจิตธรรมชาตินั้นเรียกว่าจิตธรรมชาติที่ปรุงแต่งจิตก็มีเวทนาสัญญาสังขารและวิญญาณเมื่อมีท่าสี่กายจึงมีอยู่หมายถึงว่ากายจะมีอยู่ได้ก็มีดินน้ำไฟลม ใช่ไหมประกอบกันแต่จริงๆมีอย่างอื่นประกอบกันด้วยเรียกว่าเรียกอุปราธาท า, ร, ารูปอันนั้นนะแต่ก็รูปใหใจ ก, ก็คือดินน้ําไฟลมจึงมีกายเมื่อมีเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณจึงมีจิตถูกต้องไหมเพราะกระบวนการแห่งจิตมีอยู่หรือถูกเรียกว่าจิตได้ก็เพราะมีเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณประกอบคือเรียกว่าปรุงแต่งกันอยู่เรียกว่าเจตสิกธรรมชาติใดปรุงแต่งจิตธรรมชาตินั้นชื่อว่า เจตสิกเพราะนั้นเมื่อมีจิตย่อมมีเจตสิกเมื่อมีเจตสิกก็ต้องมีจิตเพราะเจตสิกปรุงแต่งจิตเมื่อมีดินน้ำไฟลมก็ต้องมีกายเมื่อมีกายก็ต้องมีดินน้ำไฟลมอยู่ในที่นั้นๆอยู่ในที่ที่ที่เดียวกันจะเป็นทรรนองนี้จิตรับอารมณ์ใดเจตสิกก็ปรุงแต่งอารมณ์นั้นเจตสิกปรุงแต่งอารมณ์ใดจิตก็รับทราบสิ่งที่ปรุงแต่งนั้นนี่คือการการความมีอยู่ด้วยกันแล้วใจมาจากไหน ใจนี้เป็นภาษาไทยทีนี้เรามองคาว่าใจเนี่ยซึ่งเป็นภาษาไทยเนี่ยลองเทียบกับบาลีซิว่าพุทธเจ้าทรงตัดบาลีในคําใดที่ตรงกับคําว่าใจใช่มโนมโนแปลว่าใจใช่ไหมมโนแปลว่าใจเมื่อมโนแปลว่าใจมโนอยู่ในส่วนไหน อยู่ในส่วนองค์ทำใดหลักทำใดมโนเนี่ยคือใจเนี่ยมโนอยู่ในส่วนทำไหน<ม>ได้ยินคําว่ามโนวิญญาณใช่ไหมมโนวิญญาณคือการรับรู้ทางใจทางมโนเพราะฉะนั้นตัวที่ทําการรับรู้พระเจ้าใช้เรียกว่าอะไรมโนวิญญาณก็คือวิญญาณใช่ไหมเรียกว่าวิญญาณที่นี้ วิญญาณจะปรากฏกับสิ่งใดเหมือนกัาตาเห็นรูปจึงเกิดความรู้ในสิ่งที่เห็นไอ้รู้ในสิ่งที่เห็นเรียกว่ารู้รูปนั่นเองอะเรียกว่าจากักขูวิญญาณอารมณ์กระทบใจเกิดโมโนวิญญาณเพราะฉะนั้นคําว่าจากักขู่วิญญาณจักขูหมายถึงว่าสิ่งที่เห็นจักขูไม่ใช่ลูกตาเรานะลูกตาเราเขาเรียกว่าอัคคีอัคคีขอไข่อัคคีเรียกว่าในตาหรือว่าลูกตาจักขูเนี่ยมันหมายถึงว่าสภาพที่มองเห็น บางคนมีลูกตาแต่มองไม่เห็นก็มีคือสภาพคือมองเห็นมันสูญหายไปอายตนะตัวนี้หายไปเพราะฉะนั้นใจจึงอยู่ในส่วนของอายตนะเรียกว่ามาน า, ายตนะถูกต้องไหมถ้าสขันห้าอายตนะถามว่าแยกจากกันได้ไหมอายตนะมานายตนะหรือตัวโมโนจะแยกจากจิตจากใจได้ไหมไม่ได้มันต้องอยู่ด้วยกันคือมานายตนะรับรู้อะไรรับรู้ธรรมอารมณ์ใด จิตก็รับรู้ธรรมอารมณ์นั้นเหมือนกันเพราะนั้นใจจึงเป็นส่วนของมานายทนะณะคือแยกให้ออกอย่างเงี้ยแต่อาศัยอยู่ด้วยกันภาคจากกันไม่ได้ถ้าภาคจากกันก็คือก็ไม่มีอ่ะมันมันก็ดำลงเพราะทำมาทั้งหลายอาศัยกันเกิดขึ้นเป็นปฏิจจสมุปบาทเพราะสิ่งนี้มีสิ่งนี้จึงมีใจส่วนใจถ้า4ี่ันห้าเป็นสิ่งที่วายใจก็ต้องวายด้วยใจเป็นอายตนะหากใจเป็นอายตนะใจก็ดับใช่ไหมดับเป็นด้วยไวายไปได้ด้วย เป็นการแสดงความคิดเห็นในลักษณะหนึ่งที่ท่านได้แสดงความคิดเห็นขึ้นมาแต่เราก็ต้องนำความคิดเห็นนี้มาทําความรู้ความเข้าใจจะได้ไม่ไ ม, ไม่ไม่หลงประเด็นเพื่อแยกข้อเท็จข้อจริงข้อถูกข้อผิดโดยการประมวลลงในหลักคำสอนที่วงทรงตัดไว้มันจะไม่ได้ผิดพลาดเป็นวิปัสสนูกิเลสวิปัสสนกิเลสนี้น่าสนใจอาตมาไม่ค่อยจะพูดถึงเพราะ ไม่ใช่เรื่องสําคัญเท่าไหร่แต่ก็เป็นเรื่องสําคัญที่บุคคลให้ความสําคัญนะวิปัสสนากิเลสเป็นภาษาที่ถูกใช้ในภายหลังเป็นครูบาอาจารย์ยุคหลังท่านบัญญัติขึ้นถามว่าในครั้งพุทธการมีไหมมีแต่ท่านไม่ค่อยจะสนใจกันเพราะฉะนั้นเราต้องมาทำความเขาใจวิปัสสนากิเลสวิปัสสนากริยามาจากคำว่าวิปัสนาบวกอุปกิเลสอุปกิเลสคือสิ่งที่เข้าไปใกล้ต่อความเศร้าหมองทําให้วิปัสสนานั้นเศร้าหมอง สิ่งที่เป็นเครื่องซ่อมมองของวิปัสสนาพูดได้ง่ายวิปัสสนาคืออะไรคือความเห็นแจ้งใช่ไหมเห็นจริงคําว่าเห็นแจ้งเห็นจริงนี่คือเห็นความจริงของสภาพสังขารก็คือเห็นความจริงของธาตุสขันธ์หอายตนะนั่นแหละเราเห็นตามความเป็นจริงคือวิปัสสนาเข้าไปเห็นความจริงจนเห็นการเกิดการดับจนเห็นเป็นลักษณะ3เมื่อเห็นเป็นลักษณะ3มชัดก็ดูลักษณะของสภาพสังขารเนี่ยเป็น3อย่างอย่างนี้เรียกว่าวิปัสสนา แต่จะมีสิ่งหนึ่งที่เข้าไปทําให้วิปัสสนาของเราเนี่ยเศร้าหมองคือไม่แจ่มแจ้งไม่แจ่มชัดมันจะแทรกเข้ามาอาการวิปัสนูกิเลส จ, จะแทรกเข้ามาได้ด้วยเพราะเหตุว่าผู้จเจริญวิปัสสนานั้นจเจริญมาถูกทางไม่ใช่ทําผิดนะท่านไม่ได้ทาผิดท่านทํามาถูกท่านทํามาถูกนั่นแหละวิปัสณูกิเลส จ, จึงเกิดหากใครปฏิบัติทําไม่ถูกวิปัสณูกิเลส จ, จะไม่เกิดสิ่งที่จะแทรกเข้ามา ในขณะที่ทำวิปัสนาจะมีอยู่สิบประการเรียกวิปัสณุกิเลสสิหนึ่งโปภ่พาดแสงสว่างจ้าเกิดขึ้นในขณะที่ทำวิปัสนาแล้วไปติดอยู่กับแสงสว่างจนทิ้งการเห็นการดูการเห็นเนี่ยไปไปติดกับแสงสว่างใช่อันเนี้ยอันนั้นยังเขาเรียกว่าทำให้วิปสัสนาเศร้าหมองสองสองอะไร มีปัสสนูุกิเลสสิบมีข้อมูลไหมจํามาข้อข่าวปีติอาจจะเกิดปีติแบบทราบซ่านออกมาน่าจะเป็นอย่างนั้นนะถ้าไม่ผิดถ้าจาไม่ผิดประมาณอย่างนั้นถ้าจําผิดก็ต้องขออภาาัยเพราะไม่ค่อยสนใจเรื่องวิปัสสนากิเลสนี้มานานแล้วปีติ นิ ก, กันติความพอใจอันแรกอันแรกโอภาษอันสองปีติอันสานิ ก, กันติความพึงพอใจอย่างยิ่งยวดหมายถึงว่าเกิดความรู้ความเห็นแล้วเมื่อเข้าไปรู้เข้าไปเห็นตามความเป็นจริงแล้วเกิดจิตมันเกิดความพึงพอใจในสิ่งที่เห็นเขาอะเกิดความอิ่มใจเกิดความเบิกบานเกิดอะไรก็ตามที่เป็นความพึงพอใจในภายในแล้วไปติดอยู่กับพึงพอใจนั้นจนทําให้การเห็นนั้นเศร้ามองลงคือไม่ได้เห็นชัดขึ้นมากขึ้น อธิโมกน้อมใจเชื่ออย่างสุดขีดว่าเป็นจริงเราต้องเข้าใจว่ า, วาวพิปศนาพระเจ้าให้ทำให้เห็นเนี่ยเพื่ออะไรเพื่อเห็นแจ้งในอริยสัจใช่ไหมจนไปเห็นพันธิพานแต่ขณะที่บุคคลที่ทําการพิปศนาเห็นอย่างนั้นชัดแล้วโน้มใจเชื่อในสิ่งที่เห็นนั้นเป็นจริงคือแม้จะเป็นจริงก็ตามแต่ไม่ให้ยึดในสิ่งที่เป็นจริงนั้นใช่ไหมพระเจ้าไม่ได้ยึดใช่ไหมแม้เราจะรู้จริงเห็นจริงแค่ไหนก็ตามพระเจ้าก็ไม่ได้ให้ยึดในสิ่งส่วนที่รู้ที่เห็นนั้น พวงให้ก้าวเข้าไปสู่สิ่งที่จะาสามารถทำลายอาสวาะได้หากอธิโบกคือน้อมใจเชื่ออย่างสุดขีดอย่างเต็มที่ในสิ่งนั้นว่าเป็นจริงเท่านั้นอันนี้คืออะไรเกิดวิปัสนาเศร้ามองขึ้นมาแล้วเป็นอุปกิเรส อ, อีกหลายข้ออะจำไม่ได้ก็ประมาณนี้แหละก็ไปศึกษาดูเอาเองมันเป็นคำสอนของคนครูบาอาจารย์ผหลัง จำไว้อย่างเดียวว่าหากเจริญวิปั ส, สนาแล้วจิตไม่เห็นอริยสัจหรือแม้เห็นอริยสัจแล้วยังไม่เห็นนิพพานกี่ปีกี่ปีกี่ปีกี่ปีก็ตามยังไม่เห็นนิพพานแต่วิปัสนาแก่ก้าขึ้นแก่ก้าขึ้นแต่ก็ยังไม่เห็นนิพพานก็ให้เข้าใจว่ามีวิปัสสูกิเลสคอยทําให้วิปัสนาเศร้าหมองอยู่ยังยังติดอยู่ในวิปัสสูกิเลสอย่างใดอย่างหนึ่งแต่เมื่อไปเห็นนิพพานแล้ว มันมันก้าวล่วงไปแล้วก้าวล่วงวิปัสสนูไปแล้วไปเห็นนิพานเนี่ยมันจะทำลายหมดเลยนิพานนี่จะทำลายความเห็นผิดทั้งปวงไปหมดพระอาจารย์คะแล้วอย่างที่หลวงพ่อเป๋เคยเล่าอะคช่วงที่สาธรรมะแล้วอยูไหนก็จะพูดแต่เรื่องธรรมะพูดอยู่ตลอดเจอใครก็จะพูดธรรมะอันนี้ถือว่าเป็นวิปัสสนูด้วก็จัด อ, อยู่ในส่วนของวิปัสสนูด้วยเห็นใครไม่ได้พูดแต่เรื่องภายใครออกมา ดีไม่ดีโทรไปจะไปคุยยอ่าใช่จัดอยู่ในส่วนของวิปัสสนูด้วยเข้าใจแล้วนะเรื่องวิปัสสนูแล้วท่านนี้ถ้าคนติดอยู่ในวิปัสสนูนี่เขาต้องทำยังไงต่อก็เจริญอริยสัจให้ให้จิตวางวิปัสสนูสิครแต่คนทั่วไปจริงๆก็ต้องวาง เพราะเขารู้ว่าเป้าหมายเขายังไม่ถึงต้องให้กูบาอาจารย์แนะนำํำว่าต้องไปเห็นอริยสัจพอเห็นอริยสัจปุ๊บอริยสัจจะทําให้ก้าร่วงวิปัสสนูได้และอริยสัจจะปเป็นอนุโลมยานอนุโลมยานจะส่งผลไปถึงโคตรลพูญานโคตารลพูญานก็จะส่งผลเข้าไปถึงมรคยานมรคยานก็ส่งไปให้ถึงผลละยานคือเข้าเป็นโสวดอบาลเป็นเบื้องต้นอย่างเงี้ยมันจะเป็นทํารองนี้ ถ้าอยู่ในขอบเขตของอริยสัจนะได้ได้เพราะว่ามันมันจะทำลายวิปัสสนูไปในตัวแต่ต้องจำไว้ว่าคนที่ทำถูกนั้นเท่านั้นจึงจะเกิดวิปัสสนูถ้าทำไม่ถูกจะไม่เกิดนี่เป็นทางผ่านกราบนมัสการพระอาจารย์ครับจากทาหารเรือสัตหีบก็ข อ, ขอจเจริญพรยมจั ก, กรฤด ทรงสุขหรือเปล่าประมาณนี้ยมอ่อนหลงสวดพระไตรปิฎกมาเป็นปีช่วงจิตตกมากๆเพื่อรู้ว่ามันไม่ได้อะไรเลยไม่ทราบ ว, ว่าพระอาจารย์ที่ไหนถามที่อยู่สรงตอบกันไปแล้วมั้งกลุ่มแอดมินปุ๊ปุ๊สุรพงษ์ซำลำ การนมสักการพระอาจารย์ครับถ้าชาวพุทธเรามาฟังธรรมะจากพระอาจารย์คงเป็นการดีบางคนก็ไม่ดีเหมือนกันอ่ะดีเฉพาะคนที่ชอบคนไม่ดีก็มีไม่ดีแล้ววาดตอบมาทางนี้ในด้านไม่ดีก็กมีศรีราชาชนบริชัตดขออนุญาตถามครับชาตินี้จากปุุคนเดิมนะนะชาตินี้คนธรรมดาอย่างเช่นผมหรือใครๆ สามารถบรรลุธรรมเป็นอริยคันต้นได้หรือไม่ครับเพราะอะไรและต้องปฏิบัติอย่างไรคนธรมธรมดาธรรมดาที่ไม่ปฏิบัติไม่มีทางรู้ธรรมะได้คนธรมธรมดาธรรมดามาปฏิบัติหากคุณสมบัติไม่ครบหประการก็ไม่ได้คนธรรมดาธรรมดามาปฏิบัติแล้วเกิดคุณสมบัติ5ประการไม่เกินเจเดือนเอไม่เกินเจดปี ได้คุณสมบัติ5ประการคืออะไรต้องเช็คในตัวเองนะคนธรรมดาธรรมดามาปฏิบัติหากคุณสมบัติไม่ครบหประการจะไม่สามารถบรรลุทําได้ในชาตินี้แต่ถ้ามีคุณสมบัติ5ประการนี้ครบ5ประการนี้ครบนะครบต้องครบ5ไม่เกิน7ปีได้แน่นอนพระองค์ทรงตัดไว้หน้าไม่ใช่พระอาจารย์พู ด, ดเอง5ประการนี้คืออะไรหนึ่ง เชื่อปัญญาการตัสรุปจริงของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าโดยส่วนเดียวไม่เชื่อคําสอนที่นอกจากคําสอนของพระเจ้าคําสอนที่มีจากประเพณีพิธีค่านิยมสังคมรากป่ายุคหลังคำครูอาจารย์ยุคหลังนั้นจะต้องไม่เชื่อคือเชื่อคําสอนอพระเจ้าโดยส่วนเดียวเท่านั้นพระเจ้าตัดอย่างไรเชื่ออย่างนั้นอันเนี้ยเมื่อเชื่อแล้วก็ต้องทาตามใช่ไหมทำตามคําสอนใช่ไหมจะมีคําสอนยุคหลังสอนยังไงก็ต้องไม่ทําตาม เพราะเราเชื่อในคําสอนของพระพุทธเจ้าอันนั้นคือเชื่อปัญญาการตัดสรุปจริงของพระสมัสมมาสัมพุทธเจ้าว่าพระพุทธเจ้าเราตัดส ร, ร, รุ้จริงรู้จริงเห็นจริงตัดสอนธรรมะทุกอย่างมาในสืบทอดกันมา 2,500 กว่าปีนี่เป็นความจริงไม่มีอะไรผิดแผกแตกต่างไปจากหลักสัจจะแห่งความจริงเงี้ยเมื่อพระองค์บอกว่าทำและวินัยเป็นตัวแทนของพระธถานพระพอันนี้พระองค์เป็นผู้ตัดสรุปจริงใช่ไหมบอกให้ทําวินัยเป็นตัวแทนเราจะเอาอย่างอื่นมาเป็นตัวแทนได้ไหม ถ้าไปเอาอย่างอื่นมาเป็นตัวแทนจะเชื่อว่าเป็นการเชื่อปัญญาการตรัสรู้จริงของพระสัมมาสัมพุทธะไหมไม่เชื่อเมื่อไม่เชื่อแล้วปฏิบัติไปถึงวันตายนก็ไม่สามารถสัมผัสมากผลได้เพราะไม่ได้เชื่อปัญญาการตรัสรู้จริงพระสัมมาสัมพุทธเจ้าข้อแรกเชื่อปัญญาการตรัสรู้จริงของพระสัมมาสัมพุทธเจ้านี่คือคุณสมบัติข้อที่หนึ่งข้อที่สองมีโรคเบาบาง ร่างกายมีไฟธาตุสามารถย่อยอาหารได้ดีอันนี้สุขภาพก็สําคัญสุขภาพต้องแข็งแรงมีไฟธาตุที่ดีนะสามารถย่อยอาหารได้ดีพวกประเภทท้องอืดทออออ้องเฟ้อเลมิ่นเปรี้ยวกดไหลย้อนกระเพาะเป็นแผลพวกเนี้ยเดี๋ยวเดินจงกรมไปนั่งสมาธิไปหรือสมาทานสี่แปดหิวข้าวแล้วไม่ได้กินข้าวแสบยท้องเดินจงกรมไปก็ไม่มีเรี้ยวไม่มีแรงโอ้ยธาตุร่างกายไม่ดีใช่ไหม ก็ไปยากเหมือนกันนะไปยากเหมือนกันไม่ใช่เรืง่ายๆร่างกายต้องดีคุณต้สมบัติที่สองคุณต้สมบัติที่สเป็นผู้ไม่โอ้อวดต่อเพื่อนพรหมจันทร์ทั้งหลายไม่โอ้อวดยังไงไม่พูดโอ้อวดหรือไม่แสดงความโอ้อวดหรือคำว่าไม่โอ้อวดต่อเพื่อนพรหมจันทร์คือผู้ปฏิบัติธรรมด้วยกันจะต้องไม่โอ้อวดตนเองเช่นเวลานั่งสมาธิไ ป, ไปไปเห็นนั่นเห็นนี่ แล้วมาเกาโอ้อวดกับเพื่อนอย่างนี้แต่หากนําเรื่องราวที่รู้เห็นในขณะที่เป็นสมาธิมาปรึกษาหรือมาหาความรู้อันเนี้ไม่ผิดแต่ถ้าโอ้อวดจะพูดเบริดเชิงโอ้อวดทับคนอื่นหรือว่าเห็นว่าตนเองดีกว่าคนอื่นอะไรประเภทเนี้ยโอ้อวดตนในขณะที่ปฏิบัติธรรมอันนั้นคือในความหมายของการโอร้อวดในกรณีนี้น่าจะเป็นประมาณนั้นนะน่าจะ ทำไมถึงใช้คําว่า น, น่าจะทําไมพระอาจารย์ไม่พูดด้วยความแน่ใจอันนี้ก็แน่ใจแนละ้วแต่คําว่า น, น่าจะคือพูดเผือผ่อว่าตรงแท้จริงแค่ไหนกับสิ่งที่พระโพลทรงตัดสอนหรือเปล่าอะไรประเภทเนี้ยพอบางทีเราก็ไม่ทราบพุทธประสงค์ที่แท้จริงแต่แต่ในความเข้าใจ ก, ก็คงต้องเป็นอย่างนี้เพราะในขณะที่จะมาปฏิบัติก็ไม่ได้โอ้อวดอะไรตรงนี้แทบจะไม่มีพ่อไม่มีความโอ้อวดอะไร ที่จะไปโอ้อะไรกับใครปวดอะไรกับใครไม่มีไม่มีอยู่ในความรู้สึกอยู่แล้วแต่ในขณะที่ที่ปฏิบัติกี่ข้อแล้ว3ข้อแล้วข้อที่สเป็นผู้มีความเพียรเป็นผู้ปารบความเพียรอยู่เสมอปารบความเพียรมีเกีย่4อย่างใช่ไหมปารบอะไรปารบในการละอกุศลที่เกิดขึ้นปารบ เราวังไม่ให้อกุศลเกิดขึ้นใช่ไหมปาลบเจริญกุศลให้เกิดขึ้นแล้วก็ปารบรักษากุศลที่เกิดขึ้นแล้วไม่ให้เสื่อมเนี่ยคือ4อย่างนี่คือคุณสมบัติที่4อันที่5อันที่5คืออะไรมีปัญญาอันเห็นการเกิดและการดับใช่ไหมอันเป็นไปเพื่อชํามแดกกิเลสเนี่ย หากจเจริญปัญญาแค่ไหนก็ตามหากไม่ทราบการเกิดการดับของสภาพสังขารคุณสมบัติแม้จะครบ4แต่อันที่5้าไม่เห็นไม่มีปัญญาเห็นการเกิดดับก็ไม่สามารถสัมผัสกับธรรมได้บุคคลใดก็ตามที่เป็นคนธรรมราธรรมดาเข้ามาปฏิบัติคุณสมบัติครบ5ประการบุคคลนั้นสามารถรู้ได้ในชาตินี้แน่นอนยืนยันไม่เกิน7ปีเช็คตัวเองเอาเอง ไม่เกินเจดปีห้าประการหากคุณสมบัติข้อแรกผ่านคุณทรัพย์คนคุณสมบัติข้อที่สองผ่านข้อที่สามผ่านข้อที่สี่ผ่านข้อที่ห้าไม่เห็นการเกิดการดับไม่ผ่านต้งครบห้า อ, อันนี้พระองค์ทรงตัดไปเองฮะครบผ่าหรือ ย, ยั ง, งยังไม่ครบอ่ะขาดข้อไหนก็ไปเช็คดูกันเอาเองแหละ ได้อย่างน้อยนะพูทธเจ้าบอกว่าอย่างน้อยอย่างต่ำที่สุดเลยนะได้เป็นอนาคามีถ้าคุณสมบัติ5าเนี่ยไม่ถึงอหรหันต์ก็ได้เป็นอนาคามีอันนี้ก็บอกก็ถามอริยะขั้นตน้นเลยขั้นต้นไปอีกโน่นไปซึ่งระดับอนาคามีโน่นปุต่างใจเด้อูุเอาอีกครบ5้าเด้อ ปุ่มกมนอนเจริญพรโยมโยมหมวยโยมปุ่มปุ่มกมอนโยมหมวยสิงทองจเจริญพรสิงสิงเรานี่แหละสิงเขามาหมดแล้วคำถามโยมพรพี่ลุนถามมาว่า ตอนฟังเทศจะไม่ได้นั่งฟังเฉยๆบางทีออกกําลังกายบางทีกินไปด้วยถ้านั่งฟังจัง่วงไม่ทราบจะเป็นบาปไหมบางทีก็จะถือเข้าห้องน้ําด้วยกับสาธุการเทศเอาป่อไงปลราจะเสียเรื่องความเคารพใช่ไหมทำว่าบาปไหมขาดความเคารพทํา บาปหรือเปล่าก็ไม่น่าจะบาปแต่ขาดความเคารพในธรรมถ้าฟังถ้าออกกำลังไปด้วยฟังไปด้วยบางทีใจมันไม่ได้อยู่กับการฟังเต็มที่อย่างน้อยมันใจแบ่งความรู้สึกไปอยู่กับทากิจกรรมอยู่จริงๆควรนั่งฟังทีนี้ฟังแล้วมันง่วงทำไง หากง่วงก็ก็ออกกำลังกายก็ถูกแล้วนี่ไปเหยียดแข้งเหยียดขาบ้างทำนั่นทํานี้ให้มันตื่นแล้ว ก, ก็กลับมาฟังใหม่ก็กลับมาฟังใหม่แต่กลับมาฟังอีกง่วงอีกทําไง <c oughs> นอนซะ <c oughs> โอจะฟังเทศทั้งทีตั้งใจฟังบ้างก็ได้นะแต่ถ้าจะให้ฟังเป็นกิจลักษณะจะดีมาก อันนี้ถือว่าเป็นการฟังแบบไม่เป็นกิจจลักษณะผู้เทศเองก็ไม่ได้เทศเป็นกิจจรัษณะเท่าไหร่เหมือนกันก็ถือว่าเอาอย่างนี้ดีกว่าจะบาปหรือไม่บาปนั้นขึ้นอยู่กับเจตนาที่ฟังมากกว่าใช่ไหมเจตนาฟังด้วยความเคารพหรือเจตนาฟังด้วยฟังไปอย่างนั้นแหละฟังไปพอพอมีเสียงเข้ามาในหูจับใจความได้บ้างไม่ได้บ้างอันนั้นก็บาปอยู่เหมือนกันนะไม่ใส่ใจในธรรม แต่ถ้าตั้งจิตเคารพฟังอย่างดีมีสมาธิในการฟังจะทําอิเรยาบทใดก็ตามแต่ใจอยู่กับเสียงที่ได้ยินอยู่ได้อย่างติดต่อเนื่องกันอันนไม่เป็นไรได้อยู่มีใจเคารพอยู่ตอบแล้วลอันบออันหรืออุ น, อ, น อ, อุนหรืออุนหรืออัน อ, อันอ้าวอันสีแก้วอยากให้พระอาจารย์แสดงธรรมในหัวข้อความรักทางโลกกับทางธรรม เพื่อให้วัยรุ่นได้รู้รับรู้ทั่วกันครับวัยรุ่นไม่ค่อยมาฟังกนะัตมาเท่าไหร่นะความรักทางโลกกับทางธรรมความรักทางโลกมันก็ต้องรักเพราะโลกนี้มันมันต้องอาศัยความรักที่มันมีอยู่แล้วใน กรมลสันดานคือมันมามาอยู่ภายในหัวใจในตัวคนอยู่แล้วเป็นเรื่องปกติความรักอันนี้เป็นความรักโดยความรู้สึกเป็นความรักโดยสัญชาตญาณเป็นความรักโดยเป็นขันทัสันดานความรักเกิดจากสองสาเหตุใช่ไมอยู่ด้วยกันแต่ปางก่อนและก็ เกือ้อกูลกันในปัจจุบัน2ประการ น, นั่นคือความรักและคนคนหนึ่งที่ไม่เคยอยู่ร่วมกันแต่ปางก่อนกับคนอื่นมาเป็นไม่มีหมายถึงว่าคนทุกคนเคยอยู่ร่วมกันมาทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นการอยู่ร่วมกันด้วยความรักความโกรธความเกลียดความแค้นแค้นชิงชังมันก็เคยอยู่ร่วมกันมากันทั้งนั้นเพราะฉะนั้นความรักทางโลก เป็นความรักตามการเคยอยู่ร่วมกันมาคือความผูกพันความเชื่อมโยงกันความเกี่ยวโยงกันความรักทั้งโลกยังเป็นความรักที่ผูกพันกันเกาะเกี่ยวกันผัวพันกันเชื่อมสัมพันกันและสิ่งเหล่านี้ยังเป็นความรักที่นำไปสู่ โทษอีกต่างๆมากมายเช่นเมื่อกําลังแห่งความรักมีต่อกันอย่างเต็มที่ก็รักกันอย่างกลมเกลียวแต่เมื่อกําลังแห่งความรักนั้นเสื่อมสลายไปก็รังเกียจกันอย่างเต็มที่เหมือนกันถือโกรธกันอย่างเต็มที่เหมือนกันเกลียดกันอย่างเต็มที่เหมือนกันบางคลรักกันสุดหัวใจเวลาเกลียดก็เกลียดคนที่เรารักเคยเคยลักแบบสุดหัวใจมานั่นน่ะก็เกลียดแบบสุดหัวใจเหมือนกันเข้ากระดูดําเหมือนกัน เราก็เห็นข่าวตามตามที่ต่างๆใช่ไหมละ่ะที่ว่ารักแล้วไม่สมหวังก็ผูกคอตายบ้างฆ่ากันตายบ้างอะไรประเภทเนี้ยก็คนที่เรารักไปฆ่ากันได้ยังไงหรือฆ่าตัวเองเพราะผิดหวังจากคนที่เรารักคือมันเป็นโทษอยู่แล้วที่ปรากฏให้เราได้เห็นดีชัดความรักทางโลกจึงเป็นความรักที่นํามาซึ่งโทษมากมายวัยรุ่นจึงได้รับโทษจากการที่รักโดยขาดสติ รักไปตามความรู้สึกรักโดยใช้ความรู้สึกเป็นที่ตั้งรักโดยการใช้ความไว้วางใจกันจนขาดสติยับยัง้งทลำลึกเป็นความรักทลำลงไปสู่ความอะไรความโมหะความหลงลุ่มหลงอยู่ความรักหลงกันจนหาทางออกไม่ได้ เรมกมุ่นอยู่ในนั้นบกมุ่นอยู่ในความรักนั้นวัยรุ่นมักจะเป็นอย่างนั้นพอเศรอกเสียใจก็เสียใจปานจะขาดใจตายพอความเสียใจสางคลายลงไปก็เริ่มได้มีสติขึ้นมาอีกสักระยะหนึ่งต่อไปจะมีความรักเริ่มระววัติระแวงในความรักก็มีมันก็หลายๆอย่างเรื่องของความรักทางโลกแต่ความรักของทางธรรม ความรักของทางธรรมถ้าจะเป็นความรักแบบทางธรรมได้ความรักนั้นจะต้องเริ่มจากความเป็นพระโสดบาบันก่อนจนถึงพระอรหันต์พระโสดบาบันจะมีความรักแบบทางธรรมไปจนถึงความเป็นพระอรหันต์จะมีความรักแบบทางทางธรรมคําว่ารักแบบทางธรรมหมายถึงว่ารักโดยที่ไม่มีความเกลียดแม้แต่คนที่เกลียดก็ยังรักเอารักแบบไม่เกลียดไอ้คนที่เกลียดทํำไมยังรัก แสดงว่ามีความเกลียดคนนั้นอยู่เลยคือหมายความว่าความรักของพระเจ้าไม่ใช่ว่าจะรักไปเสียทั้งหมดแต่มีความรักให้หมดทุกคนพระเจ้ารักพระเทวทัตพระเทวทัตแสดงสิ่งที่เป็นน่ารังเกียจพระองค์ก็รังเกียจในสิ่งที่พระเทวทัตทำแต่พระองค์ไม่เคยบทความรักในพระเทวทัตแต่รังเกียจในสิ่งที่เทวทัตทำในกรรมอคติศรกรรมบางอย่างรังเกียจจนไม่ให้เข้ามูอให้แยกออกไปจากมูอ นนไม่ให้ร่วมอุโบสถไม่ให้ร่วมอยู่ในสังคมหรือสังคมสงฆ์อันเดียวกันฟังปฏิโมกข์ด้วยกันไม่ได้นั่นคือลังเกียจในการกระทำแต่พระองค์ไม่เคยหมดความรักในพระเทวทัพเข้าใจไหมรักได้แม้กระทังศัตรูเป็นความรักของพระอาเรียเจ้าอันนี้คือความรักทางธรรมรักโดยที่ไม่เกียรไม่เป็นไม่รู้ว่าพระเจ้าก็เป็นจะรู้ คือมันรักคนทั้งโลกได้หมดรักแม้กระทั่งอิสลามก็ได้รักแม้กระทั่งคนที่เป็นคริสก็ได้ศาสนาพรามณ์ก็ได้รักแต่ไม่ใช่เป็นรวมหมายถึงว่าข้อประพฤติที่เป็นโทษอันนั้นเราจะยินดีไปด้วยเราไม่ได้ยินดีเป็นความรักแบบมีปัญญาความรักที่ไม่เคยรังเกียจใครเลยเป็นความรักที่ไม่มีโทษแม้บุคคลผู้นั้นจะกระทาสิ่งที่น่ารังเกียจและจะทาสิ่งที่ เป็นไปเพื่อความขัดแย้งในใจของพุทธองค์พระองค์ก็ไม่เคยหมดรักในคนคนนั้นยังมีความรักกับคนคนนั้นอยู่เหมือนเดิมมันเป็นเรื่องแปลกอย่างหนึ่งจะเกิดอยู่ในจิตของพระอริยเจ้าเท่านั้นจะรู้พูดได้อย่างนี้มันพูดไปมากกว่านี้ก็ไม่ได้ให้ลึกซึ้งกว่านี้ก็พูดไม่เป็นเรื่องความรักเพราะไม่ค่อยจะลึกซึ้งเท่าไหร่แต่รู้รู้สึกลึกซึ้งอยู่ในตนเองตรงที่ว่าทําไมจิตเราถึง สามารถรักรักคนทั้งโลกได้แม่รักลูกอย่างไรใจของพระอริยเจ้าก็รักคนทั้งโลกแบบนั้นแบบนั้นเลยนะเข้าใจไหมแบบเดียวกันเลยที่แม่รักลูกแม่รักลูกได้เฉพาะลูกของตนรักลูกคนอื่นเหมือนกับลูกของตัวเองไหมไม่แต่พระอริยเจ้ารักคนอื่นเท่ากันเหมือนกับแม่ที่รักลูกนั้นต่างกันตรงนี้ อันนี้คือพระยาเจ้าแต่บุถุชนไม่ได้พูดถึงพอใจก็รักไม่พอใจก็เกลียดถูกใจก็รักไม่ถูกใจก็เกลียดเพราะมนุษย์มันมีทั้งคุณทั้งโทษใช่ไหมเวลาดีต่อกันก็ให้คุณกันแต่เวลาร้ายก็โทษกันเป็นพ่อมึงเป็นพ่อนั่นเป็นพ่อนี่เป็นพ่อคนนั้นโทษกันไปหมดแล้วแหละนี่คือมนุษย์เป็นอย่างนี้นาราชินตินถามมาว่านั่งสมาธิ เห็นสัตว์ตัวเล็กอยู่ในร่างกายคืออะไรครับเห็นสัตว์ตัวเล็กอยู่ในร่างกายมันก็คือสัตว์ตัวเล็กนั่นแหละมันจะคืออะไรก็ไม่ใช่สัตว์ตัวใหญ่เห็นอะไรก็อันนั้นก็ประจักษ์ชัดในสิ่งที่เห็นแล้วการมาถามว่าคืออะไรนั้นมาถามสําหรับคนที่ไม่เห็นเนี่ยไม่รู้คนไม่เห็นจะตอบได้ยังไงคาดว่าตามาจะเห็นเหรอก็ไม่เห็นเหมือนกันแต่ ถ้าจะเทียบเทียงในหลักคําสอนของพระพุทธเจ้าไอสัตว์ตัวเล็กอย่างเงี้ยพระพุทธเจ้าใช้คําว่ากิมิชาตใช่ไหมสัตว์ตัวเล็กเล็กจนสามารถไม่สามารถมองเห็นด้วยตาเปล่าก็มีแต่ไปเห็นโดยการอาศัยสมาธิเห็นสัตว์ตัวเล็กๆเนี่ยเรียกว่ากิมิชาตเรียกว่าหมูนอนคือสัตว์ที่เกิดในภพภูมิพบน้อยพบเล็กครึ่งสัตว์ครึ่งผีก็มีคือเป็นสัตว์เซลล์เดียวครึ่งเซลลอย่างเงี้ยคำว่าเซลครึ่งเซลล์คือครึ่ง ครึ่งสัตว์ครึ่งวิญญาณครึ่งผีอย่างเงี้ยอะไรประเภทเนี้ยอยู่ในนั้นคือเรียกผีไปอย่างนั้นแหละแต่จริงจริงคือเป็นในรูปแบบของวิญญาณนะ่ะนะที่ที่ที่ครึ่งหนึ่งมีคือกรรมที่ทํามาทําให้ร่างได้ร่างกายแค่ครึ่งเซลลได้ไม่เต็มเซลลตัวเล็กพวกกิมีชาติพวกกิมมิชาติมีอยู่แปด0 0ื่นตระกูลในร่างกายเราการที่ได้เห็นสัตว์ตัวเล็กลก็คือได้เห็นสัตว์เล็กก็คืออันนั้นแหละอันอั น, อ, นอันเรียกว่ากิมมิชาตินั่นถ้าจะเทียบกับหลักคำสอน แต่ยังไงก็ตามลั่งสมาธิแล้วไปเห็นเห็นอะไรอย่าถามว่าคืออะไรเพราะอันที่เห็นนั่นคือสิ่งที่เห็นแล้วไม่ต้องไปถามว่าคืออะไรเหมือนอาตมานเห็นแก้วใบนี้ไม่ต้องไปถามว่าอันที่เห็นนี่คืออะไรก็ให้รู้ทันทีว่าที่คือแก้วแม้ไม่รู้ว่าเป็นแก้วก็ให้รู้ว่านี้คืออันนี้ก็พอแล้วถ้าไปถามมากกว่านี้เดี๋ยวมันจะหลงจิตเนี่ยหากไปซักไซส์ไล่เลียงมันมากมันจะหลงเมื่อเห็นแล้วก็เห็นว่าเป็นอันที่เห็น ก็พอว่าอ๋อเราเห็นอันนี้เราเห็นแบบนี้เห็นลักษณะนี้ก็พอก็หยุดอย่าไปถามว่าเป็นอะไรถ้าถามว่าเป็นอะไรมันจะต่อไปอีกต่อไปอีกมันจะเป็นสังขารปรุงแต่งอพอเห็นแล้วรู้แล้วมันก็ดับพอดับแล้วก็แล้วแล้วกันไปถ้าถ้าสงสัยอยู่นั่ น, นคืออะไรสงสัยจะอุปทานอยู่ในนั้นเอ๊ะมันคืออะไรอีกคืออะไรอยากจะรู้ก็ถูกความไม่รู้ครอบงําก็ไม่ต้องไปสงสัยไปสงสัยอะไรก็สัจธรรมมีหลักตายตัวอยู่แล้วคือ ถ้าสี่ันห้าอิสระนับหเป็นเป็นกฎเกณฑ์ตายตัวเกิดขึ้นตั้งอยู่ตัอไปนี่คือกฎเกณฑ์ทางธรรมชาติหมดคำถามแล้วนั่นเอที่นี้หมดคำถามแล้ ว, ลวจะให้พูดเรื่องอะไรไม่มีคำถามแล้วถ้าไม่มีคำถามก็ไม่มีเรื่องที่จะพูด ขอบคุณในคําตอบครับอฟังเรีวจังหมดแล้วสวดธรรมจักได้ไหมครับตอบไปแล้วนะโยมนาลาชินตินเอยโยมหรือเปล่านะโยมยมคงจะเป็นโยมสวดธรรมจักได้ไหมถ้าเข้าใจก็สวดได้ถ้าไม่เข้าใจก็ไม่ควรสวด ตอนที่ไม่รู้จักความหมายของธรรมจักรอตมาก็สวดไปอย่างนั้นแหละสวดตามที่ครูบาอาจารย์พันธาทำวัดสวดมนต์และการทำวัดสวดมนต์ในคราวครั้งใดก็ตามธรรมจักขปวัตถังศาสดาทิตตปริยาญสูตรอนัตตลักณะสูตรสสูตรนี้ไม่เคยทิ้งลูกปู่ต้องพาสวดสูตร3สูตรนี้อยู่เป็นประจําตอนที่ยังไม่รู้อะไรก็สวดไปอย่างนั้นเองสวดสวดสวดพอให้มันจบพอให้มันแล้วพอจบพระสูตรไป ยังจะได้ไปเดินจงกรมนั่งสมาธิแต่พอจุดหนึ่งที่เราได้รู้ความจริงในสภาวะธรรมเมื่อเราได้รู้แล้วแล้วมาสวดมันแตกต่างจากการสวดไปพอให้เสร็จเสร็จแตกต่างยังไงสวดด้วยความรู้สึกเป็นปีติความอิ่มใจสวดไปได้วยความลึกซึ้งในสิ่งที่สวดบทแต่ละบทเอวามสุตังเอกังสมายังภะ ก, กาวาบาราสียังวิหารติ มันย้อนเข้าไปถึงสภาพเหมือนกับว่ามันมองเห็นภาพแต่ครั้งพุทธกาลภาพเหล่านั้นปรากฏขึ้นมาเป็นฉากเป็นฉากเป็นฉากว่าพวงทรงแสดงธรรมอย่างนี้แก่ปัญจวัคคีย์ปัญจ ว, วัคคีย์รับฟังธรรมเทศนาของพระพุทธเจ้าแล้วเกิดความรู้ความเห็นอย่างไรมันมันเป็นภาพที่ประทับตาตึงใจอยู่ภายในในขณะที่สวดแต่ละครั้งสวดจะเกิดความรู้สึกเป็นอย่างนั้นและการเปล่งเสียงประกาศสวดจะเป่งเสียงออกมาได้อย่างเต็มที่ แบบเรียกบ้านตะโกนสวดร้องอย่างเต็มที่โยมเขาวัดที่อยู่ห่างจากสมมติที่ตรงนี้ห่างจากนี่ไปก็ประมาณเกือบจะหนึ่งกิโลโยมได้ยินเสียงสวดของอาตมาเสียงดังขนาดนั้นนะสวดทํามาจากอาวุโสเพราะมันถึงใจมากนั้นคือสวดด้วยความถึงใจก็เลยมามองว่าคนที่ไม่รู้เรื่องของการสดวดมาสวดจะไม่ถึงใจอ ย, อย่างนี้ ก็แค่สวดไปแค่นั้นเองสวดไปพอให้แล้วแล้วสวดไปเพื่อเอาบุญกุศลสวดไปเพื่อเป็นเครื่องสักการะบูชามันได้แค่สักการะบูชาได้บุญแต่ไม่ได้ปัญญานะก็มีอยู่กันแค่นี้จะถามอะไรกันถ้าถาแสดงว่าการสวดถารามองใน ประสงค์บุญก็ก็สวดกันไปได้ประสงค์เอาบุญมันได้อยู่แล้วไม่ต้องประสงค์อ่ะคือตั้งจิตตั้งใจสวดตามบททุตรธรรมตามหลักธรรมบุญมันได้อยู่นะไม่ประสงค์ก็ได้บุญถ้าได้ทําแต่ประสงค์เอาสติสมาธิปัญญาเอาปัญญาการรู้เห็นตามความเป็นจริงนี้ไม่ประสงค์กันบ้างเหรือประสงค์เอาแต่บุญนั่นนะ สนับสนุนตัวเองให้เป็นไปในภพชาติที่ดีอย่างเดียวเหรอจะไม่สนับสนุนให้ตัวเองออกไปจากวัตาก บ, บ้างเลยเหรออิทธิปิโสอิทิปิโสมากี่ปีปัญญาเคยเกิดบ้างไหมไมีเกิดเห็นไหมก็เข้าใจการสวรดแบบตามธรรมเนียมที่สวดกับการสวรดที่รู้เรื่องในขณะที่สวดมันคนละเรื่องคนละอย่างคนโอ้คนคนละเวอร์ชั่นเอ๊ะใช่ได้ไหมครับ เ, เวอร์ชั่นเนาะ เอ้เวอร์ชันนึ่งไม่ได้คนล็อตติ๊คพนล่ะอันนี้ไป ใ, ใช่แตกต่างแตกต่างกันมากความเข้าถึงใจอืมยังไงไม่มีอะไรถามกับบทแค่นี้แล้วนะฮะ จริงจริงอยากให้่านอาจาเรียนเรื่องอริยสัจสครู้สึกว่าเมื่อก่อนทานอารเรียนเรื่องขันห้าบางอย่นนางม่อนแต่ว่ายังจับต่างไม่ถูกต้องเรียนรู้ในกระบวนการของคัน้าเราหมดแล้วแต่ว่าเราจะมาหลงตรงประเด็นที่ว่าเห็นเห็นคู่จะเชื่อมโยงเข้ามาสู่อริยสัจสอย่างไรใช่หมจถาเพราะว่าาสี่คัน้าก็เรียนรู้กันมนาเยอะแล้วชัดเ<ช>จนแต่ว่าพอช่วงหลังท่านอาจารย์จะเรียนเรื่องอริยสัจสีทให้รู้นนสึกว่าอ๋อเราสิ่งที่เราขา คือการเชื่อมต่อค่ะจริงๆมันเป็นอันเดียวกันแต่เมื่อก่อนเราเรี่กว่าสังคือเรียนรู้เวลามตามาสอนนี่นะเวลาตมาสอ น, นตามาจะพยายามสอนเพื่อให้คนนั้นเกิดปัญญาขึ้นมาด้วยตัวเองในการรู้อริยสัจสีจะมีแง่มมุมที่สอดเข้าไปเพื่อให้เข้าใจอริยสัจสีแล้วนําไปปฏิบัติและเกิดความรู้ความเห็นอริยสัจสีแล้วอยากจะมาอยากจะฟังจากกลุ่มลูกศิษย์ว่า เขาไปฝึกปฏิบัติแล้วมาเล่าเรื่องอริยสี่โยงโยงเรื่องของขันห้าอย่างไรก็ยังไม่มีใครมาเล่าให้ฟังเอ๊ะทำไมเกิดปัญญาตรงนี้ไม่เกิดกันหรือหรือต้องให้เราอธิบายไปมากกว่านี้ขึ้นขึ้นไปอีกพอสมัยที่อาตมาปฏิบัติไม่ได้ถามอะไรใครมากขนาดนี้มันโยงเข้าไปเองคือโยงโยงหลักธรรมข้อหากันเองถ้าสขันห้ามันเป็นทุกขสัจจ์มันจัดอยู่ในอริยสัจข้อที่หนึ่งที่เราต้องรู้อย่างเงี้ยหเราต้องรู้ทุก โดยความเป็นตัวทุกของรู้ทุกโดยสิ่งที่เป็นที่ตั้งแห่งความทุกสิ่งที่เป็นที่ตั้งแห่งความทุกคือท่าสี่ขันห้าอิจตันหกใช่ไหมเพราะทุกจะแสดงออก ag ag ag ag ที่ท so ่าสี่ขันห้าอิจตันหกอันนั้นคือสิ่งที่เป็นที่ตั้งหรือที่แสดงออกของทุกขกับตัวทุกความไม่สบายกายไม่สบายใจคือคือพูดโดยรวมนะโดยโดยย่อคือความไม่สบายกายไม่สบายใจเรียกว่าทุกได้ชื่อว่าทุกแกเจ็บตายได้ชื่อว่าทุกความพัดผากไม่ได้ดังใจหมายชื่อว่าทุก แต่ตัวที่แสดงออกถึงความทุกข์คือธาตุสขันหยตนา6ใช่ไหมล่ะมันก็อยู่ในอริยสัจข้อเดียวข้อที่หนึ่งเหตุอยู่ที่ไหนเราก็ไล่ไปอาตมาต้องการจะให้เป็นปัญญาเฉพาะบุคคลอยากอยาให้เป็นปัญญาเฉพาะบุคคลแต่านานมากสำหรับนานโอ้มานจังหังหลังมาก็เลยเน้นอริยสัจเน้นอริยสัจเน้นอริยสัจ เพราะรู้สึกว่าพูดเรื่อง5าสี่ขันธ์ห้าอาจารย6มาเยอะจนจะต้องเอาสักวันไว้เชื่อมโยงอริยสัจข้อหัดขันธ์ห้าให้ฟังกันบ้างก็เลยเทพเรื่องอริยสัจเชื่อมโยงขันธ์ห้าอยู่เรื่อ ย, อยมันเหมือนกับว่าเรียนบาลีเรียนเหมือนเรียนเาเรียกว่าเรียนไรยากรแไม่ได้แปลอยงนีจะท ม, มันยัพอเรื่องแปลเลยเรู้ว่า นนอย่างั้ถ้าถ้าเริ่มจับองค์รวมอย่างนี้ได้มักจเจริญนะถ้าเป็นอย่างนี้นะมักดูในองค์มากแล้วมักอันนี้ไม่ใช่มักชั้นชั้นโลกียะนะเป็นมักชั้นโลกุตระเข้าไปชั้นโลกกตระที่จะเดินเข้าไปทําลายและประหารถ้าจับอย่างนี้ได้ก็เรียกเป็นอนุโลมญาณคืออนุโลมไปตามอริยสัจอนุโลมทุกอย่างเข้าสู่อริยสัจหมดบรรดาธาตุสีขันธ์หายยตระหกหรือสภาพสังขารทั้งหลายทั้งปวง อนุโลมไปในอริยสัจทั้งหมดมันต้องมีทุกในนั้นมีเหตุให้เกิดทุกในนั้นจะดับทุกทก็ต้องดับอยู่ในนั้นปฏิบัติเพื่อให้ดับทุกก็ต้องปฏิบัติอยู่ในสิ่งที่เป็นอยู่นั้นที่ตั้งอยู่นั้นปฏิบัติต่อมันยังไงด้วยสมาธิิคือเห็นทุกในมันเห็นเหตุให้เกิดทุกในตัวมันเห็นความดับไปของทุกในตัวของมันก็ ค, นคือปฏิบัติอยู่อย่างนี้เห็นทุกในตัวกายตัวจิตเห็นเหตุให้เกิดทุกที่เกิดมาในกายในจิตเห็นความดับไปของทุกคคือเห็นวามดับไป ของตัณหาในกายในจิตก็เห็นอยู่ในตัวนี้นั่นคือปฏิบัติมากเห็นอย่างนั้นเห็นว่าตัวเองทําอย่างนั้นคือมรคือเห็นมรคเห็นมรคอย่างนั้นเห็นซ้อนเห็นไปเรื่อยเรื่อยๆืยสวดธรรมจักรและสวดแปรด้วยครับสวดได้สวดแปร ไหนดูเหมือนว่าอยากจะสวดแล้วก็สวดเถอะดูท่าจะตั้งท่าสวดมีกําลังใจในการสวดดีอยู่ก็สวดสวดได้ทำรรมาจากถ้าแปล ร, รู้แปลเข้าใจแปลต้องรู้ด้วยนะคือแปรนี่คือแปรนะไม่ใช่ความรู้นะคือแปลจากภาษาหนึ่งมาเป็นอีกภาษาหนึ่งภาษาบาลีมาเป็นภาษาไทยแต่รู้หรือไม่รู้นะนะั่นแหะมันเป็นเรื่องการขบคิดนําไปขบคิดนําไปไต่ตองนําไปพิี่ณาพี่นาจนจับเอาไปเด็นเนื้อหา ให้ได้ถามว่าอธิกรณ์คืออะไรครับอธิกรณ์นี้เป็นการระ ง, งับระ ง, งับมูลเหตุเป็นการระ ง, งับมูลเหตุแห่งความผิดหรือโทษที่ภิกษุได้กระทําที่ไม่สามารถระ ง, งับ ได้ด้วยวิธีการอื่นเช่นไม่สามารถระ ง, งับได้ด้วย ว, วิธีการแสดงอาบัตหมายถึงว่าเกิดโทษบางประการขึ้นแก่พระภิกษุแล้วภิกษุนั้นไม่ละ ง, งับคือไม่ยอมแสดงอาบัตหรือหามีภิกษุดื้อด้านถือทิฏฐิยึดถือความผิดบางประการแล้วไม่สละความผิดนั้นสงฆ์จะต้องมาละ ง, งับเรียกว่าการเข้าไปละ ง, งับต้องใช้อธิกรณ์เรียกว่าทํา ทําการละ ง, งับด้วยอธิกรอธิกรณ์สัมปทานคือการละ ง, งับอธิกรที่เกิดขึ้นอธิกรหมายถึงว่าเรื่องหรือว่าโทษคือสิ่งที่สงเจะต้อ ง, ต, องต้องทําการละ ง, งับเขาเรียกว่ายังไงอ่ะหากมีภิกษุรูปหนึ่งโจทย์ภิกษุรูปหนึ่งด้วยอาบัติอย่างใดอย่างหนึ่งการโจดนั้นเป็นการโจทด้วยมูลเหตุที่ถูกหรือมูลเหตุที่ ต้องการจะใส่ใครใส่ความใส่ให้คลาดเคลื่อนจากพรหมจรรย์ด้วยมูลเหตุใดๆก็ตามที่มีการโจดดกันขึ้นและเป็นเรื่องเป็นราวกันขึ้นมาอันนี้เรียกว่าอาธิกรณ์คือเรื่องที่จะต้องทําการรั ง, งับสงจะต้องเข้าไปรั ง, งับอธิกรณ์เนี่ยเรื่องเรื่องของสงที่เกี่ยวกับโทษบางประการตรงเนี้ยคือย่อๆอย่างนี้อธิกรณ์โอ้ยในแบบก็มีอยู่นะไปดูในแบบนึ ตมามก็ไม่สามารถที่จะเอาแบบมาอ่านให้ฟังได้ทุกถ้อยทุกความไปเอาเอาแต่วความเข้าใจมาพูดนะพรพ่ลุนฟังท่านพระอาจารย์แล้วเหมือนมีกำลังใจอยากจะทำต่อไปเอาที่ผ่านมาไม่มีกำลังใจเหรอกขอ็ขอให้มีกำลังใจยิ่ ง, งขึ้นไปเด้อหากตั้งใจที่จะปฏิบัติหรือทำอะไรก็ตามที่เป็นคุณงามความดีให้มีกาลังใจยิ่ ง, งขึ้นไปในการทำ จะให้อธิบายอริยสัจสีคงไม่ต้องละมาะ้างอธิบายเยอะอยู่ย้อนกลับไปดูเรื่องอริย ส, สัจให้มากก็จะได้เข้าใจจริงๆอริย ส, สัจเนี่ยพระเจ้าก็ไม่ได้แสดงไปได้ทุกที่นะพระเจ้าต้องเช็คดูก่อนว่าจิตของผู้นั้นได้ถูกหล่อล้อมมาหรือยังควรค่าที่จะฟังอริย ส, สัจหรือยัง หากยังไม่คุณค่าที่จะฟังอริยสัจสีพระเจ้าก็ไม่แสดงหากพระองค์ทรงแสดงทำปูพื้นในจิตของเขาให้ให้กิเลสเบาบางลงไปแล้วพระองค์ก็จะเล็งดูว่าหากเราให้อริยสัจสีไปเนี่ยเขาจะสามารถรับฟังได้ไหมพอพระองค์ทรงทราบว่ารับฟังได้ปับ๊บพระองค์ก็ให้อริยสัจสีพอจิตดวงใดก็ตามาหากเข้าใจอริยสัจสีแล้วจิตดวงนั้นจะมุ่งเข้าสู่อริยมรรคอริยผลโดยถ่ายเดียวแต่เนี่ยพออริยสัจสีเป็นตัว ตัวนำนำเข้าไปสู่ทางแห่งอริมัชมันเป็นสมาธิฐีเบื้องต้นตรนี้เพราะว่าที่ผ่านมาเจ้าอาวาอาจารย์ว่าทำไมเราก็เรียนรู้กระบวนการของสัมถาองนครบแแต่ทาไมมันยังบางอย่างทาไมเรายังมีความทุกข์อยู่นใจอยู่เพราะเพราะอะไรเพราะอะไรเราะอะไรแล้วมีามรัาผู้เรื่องอริยสติมันก็เลยเชื่อมกัน เราไม่รู้ว่ามันติดจริงมันเทุกเราไม่ยอมรับตรงนั้นเจ้ากลัแค่นี้เองนะเห็นไหมแค่ไม่ยอมรับติดอยู่ตั้งนานตรงแค่ไม่ยอมรับเจ้ากาว่าตัวสมทุทไทยเราไม่โอต้องฟังขนาดนั้นเลยหรือต้องฟังเยอะขนาดนั้นเลยถึงจะสามารถเข้าไปยอมรับได้ไมไม่ยอมรับด้วยตัวเองกระบวนการขั้นแก็รู้ชัดหมดแล้วแล้วทำไมไมาถึงยังยังทุกอยู่อาตมานี่ เชื่อมโยงด้วยตัวเองหมดเลยก็มันเป็นความทุกข์เป็นสัจจะจะไปปฏิเสธอะไรจะไปหลีก น, นี้อะไรกับมันอย่างเงี้ยยอมรับยอมรับมันก็แค่นั้นแค่คิดได้แค่นี้ก็ทําไปมันก็ทุกข์ทำไปก็ทุกข์ยอมรับทําไปทุกข์ยอมรับทําไปทุกข์ยอมรับทําไปทุกข์ยอมรับเดินจงกรมทั้ ง, งที่ง่วงเหนื่อยเพียล้าอ่อนละปวดอยู่ใน ปอดนี่ที่เป็นโรคปอดนั้นปวดนะเข้านะเขาก็รู้ว่าทุกข์ทำไมไม่หยุดก็ยอมรับคําว่ายอมรับไม่ใช่จะ ต, ต้องหยุดมันคือยอมรับมันแล้วก็ทําความภาคเลี่ยนไปเมื่อยอมรับแล้วแล้วก็เราก็ไม่ไม่ฝืนต่อสัจจะแล้วก็ยินดีมันจะทุกข์ก็คือเป็นความเป็นจริงอย่างหนึ่งจิตเราก็ยอรับรู้ทุกข์แต่มันทุกข์จริงๆทุกข์มาก กายเป็นที่ตั้งของความทุกข์อยู่แล้วเมื่อทุกข์เกิดขึ้นในกายก็เป็นธรรมชาติที่ถูกต้องที่มันต้องเกิดขึ้นธรรมชาติที่มันถูกที่มันเกิดขึ้นมาตามความถูกต้องของมันนี้เราไปฝืนธรรมชาติปีนเกี่ยวกับธรรมชาติอันนี้นี่เองปัญหามันจึงเกิดอยู่ไม่หยุดไม่ยอ่อนอาสวาะเราก็ไม่สิ้นเพราะสิ่งเหล่านี้ <c oughs> ก็มารู้ว่าความทุกข์เป็นเครื่องขัดเกลอกิตใจของเราให้บริสุทธิ์ทําให้ทิฐิเราบริสุทธิ์ได้ความทุกข์เนี่ยแต่คนที่ไม่ยอมรับความทุกข์จิตใจเลยไม่บริสุทธิ์ ท, ท ความเห็นนั้นไม่บริสุทธิ์พระเจ้าบอกว่าความบริสุทธิ์นั้นบริสุทธิ์ที่ความเห็นจิตจะบริสุทธิ์ได้ต้องความเห็นบริสุทธิ์จิตจะบริสุทธิ์โดยที่ไม่มีความเห็นบริสุทธิ์ไม่ได้นี่คือความจริงเพราะความเห็นก็คืออยู่ที่จิตความเห็นจะเป็นตัวชําระล้างจิตให้บริสุทธิ์จิตไม่ได้บริสุทธิ์มาแต่เดิมแต่จิตผ่องไสมาแต่เดิมผ่องไสไม่ใช่ความบริสุทธิ์ผ่องไสคือความผ่องใสไม่ใช่บริสุทธิ์ ถ้าความผ่องใสเป็นความบริสุทธิ์ผู้เรียจะมาบอกเลยว่าละบาปทําบุญชําระจิตให้บริสุทธิ์ใช่ไหมละบาปทําบุญชำระจิตให้บริสุทธิ์ไอชำระจิตให้บริสุทธิ์เนี่ยชาระที่ไหนชาระที่ความเห็นความเห็นเอาอะไรมาชําระเอาคุกมาชําระใช่ไหมละ่ะมีดทํายังไงให้มันแหลมคมฝนที่หินหินจะต้องขูดขัดถึงจะฝนมีดหินหินที่มัน ใช่ไหมหินรับมีดนะ ม, มันไม่ใช่เรียบๆนะไปฝนกับที่เรียบๆมันก็ไม่คมหินรับมีดกระดาษทรายหยาบๆขัดไม้ให้เกลี้ยงเก่าได้ทุกสามารถขัดเก่าจิตใจให้บริสุทธิ์ได้ทำลองเดียวกันแต่คนไม่ชอบทุกนั่นแหละคือปัญหาที่เร้องเรียนรู้ท่านท่านผู้เจ้าบอกว่าทุกเป็นสัจจายใช่ไหมล่ะ อืมเป็นสัสจแล้วอยากเราพยายามที่เมื่วันที่ทอาจารย์พูดถึงว่าเราพยายามจะตร้างว่าอยู่กับปัจจุบันแต่จริงแล้วเราไม่ได้ยอมรับ ว, ว่าปัจจุบันอะมันยึดไม่ได้มันกลับไปทุกข์ฐนเราไม่มมอยอมตรงนี้ต่อค่ะคือเราพยายามจะมองว่าสิ่งสิ่งที่มันแป๊กเดียวที่มันชั่วงขนาดที่มันกับไปเราไปไม่ไม่เอาความจริงตรงนั้นอะอพยายามจะไปยึดเอาเป็นจริงปแต่ว่าไม่ได้ต้องเห็นได้อย่างอันนี้แหละมันทําให้เราขัด เขอวันนี้พูดได้เข้าหูไว้ใช่ได้ค่ะพูดได้เข้าหูเว้ค่ะพูดมาที่ผ่านมาเราไม่เคยเห็นว่าปัจจุบันมันดับทุกขนาดแต่เราพยายามจะไปยึดยึดเอาใช่ไปสร้างปัจจุบันมาเป็นอัตราให้ตัวเองเข้าไปอยู่ว่าเราจะต้องอยู่กับปัจจุบันเราต้องอยู่กับปัจจุบันอันนั้นอ่ะหอันนั้นมันคนละเรื่องนะอันนี้ไม่ใช่ความจริงอปัจจุบันจะมีอยู่ที่ไหนปัจจุบันก็ไม่มี ที่ผู้เด้ย่บอกว่าอดีตไม่มีคือไม่มีตัวเราอนาคตไม่มีคือไม่มีตัวเราปัจจุบันไม่มีคือไม่มีตัวเรามันจะมีได้ยังไงก็มันดับอยู่ตลอดเวลาจะเอาตรงไหนไม่มีเอาความมีมาอะไรคนที่ไม่เห็นการดับในขณะปัจจุบันนั่นเองจึงยึดถือว่ามีเข้าใจว่ามีปัจจุบันปัจจุบันจริงๆไม่มีจริงๆการทั้งสมไม่มีหรอกแต่ทําไมพระองค์จึงตัดการทั้งสามอย่างเงี้ยการที่พระองค์ทรงตัดถึงปราการทั้งสามคือความเชื่อมโยงระหว่างสิ่งที่ล่วงไปแล้ว สิ่งที่กำลังเป็นอยู่และกำลังเป็นไปคือตัดเชื่อมโยงเพื่อให้เราได้แยกแยะให้เห็นลักษณะที่เป็นเครื่องยึดถือภายในตัวเราของเราว่าเป็นเราถ้าเราว่าเราเป็นเราจริงตอนเป็นเด็กที่เรายึดถือว่าตัวเราทั้งตัวแล้วตัวเราอันที่เป็นเด็กนั้นไปไหนแล้วมันเป็นเรื่องของอดีตการแล้วใช่ไหมคือสิ่งที่ร่วงไปแล้วอนก็ร่วงไปดับไปคนเราต้องเจริญเติบโตเต็มที่แล้วเราจะยึดถือช่วงไหนของตัวเราว่าเป็นตัวเรา จะยึดปัจุบันขนาดนี้ว่าเป็นตัวเองยึดได้ไหมมันกําลังจะดับอยู่ตลอดเวลานันี่ไม่ใช่มันกำลังจะดับมันดับอยู่ตลอดเวลาดับผึบผึบผึบผึบผึบอยู่ตลอดเวลากูจะยึดเอาตัวไหนว่ามันดับอยู่ตลอดเวลานั้นเขาเห็นคนเห็นทางวิปัสสนาจึงสามารถรู้แจ้งอย่างนี้ได้เนี่ยเห็นวิปัสสนาเห็นทางวิปัสสนาแล้วจึงสามารถรู้แจ้งอย่างเงี้ยจึงสามารถเห็นว่าปัจจุบันก็ไม่มีจริงนั่นคือคนที่เห็นความจริง เพาั้นคำสอนที่บอกว่าให้อยู่กับปัจจุบันอาตมาจึงไม่ค่อยชอบคําสอนนี้เท่าไหร่ nem? แต่ผู้องค์ทรงสอนว่าให้อยู่ปัจจุบันหมายถึงว่าอาดีตเราไปทําอะไรกับมันไม่ได้อนาคตเราไปทําอะไรกับมันไม่ได้เราทําได้เฉพาะตอนนี้แต่คนไปจับว่าทําได้เฉพาะตอนนี้คือมาอยู่กับปัจจุบัน<ช>อันนั้ น, เ ป, นเป็นความหมายที่คนอื่นเขาตีเอาไม่ใช่ความจริงความจริงคือสิ่งที่เราทําก็ต้องทําตอนนี้ใช่ไหมกินก็ต้องกินตอนนี้พูดก็ต้องพูดกับตอนนี้นอนก็นอนกันตอนนี้อย่างเงี้ย ก็คือมันทําตอนนี้ขนาดนี้พอขนาดล่วงไปแล้วมันทำไม่ได้แล้ว <c oughs> แค่นั้นเองในความหมายของพระเจ้าหมายว่าเราจะภาเคเพียนอะไรก็ตามต้องภาเคเพียนในตอนนี้อย่าไปคิดว่าอายุห้สิปีหกสปีค่อยภาเคเพียนจะรู้หรือว่าห้สิบปีหกสปีจะเกิดอะไรขึ้น <c oughs> จะรู้เลยว่าเราจะมีชีวิตอยู่หรือไม่มีชีวิตอยู่ยังไม่หล่ะเจ้าจึงบอกทําตอนนี้ใคาจะทําเหมือนกับการทําบุญพวกอบอกว่าหา ก, กิดคิดอยากจะทําบุญรีบทําเลย อย่าปล่อยให้ขณะแห่งจิตร่วงไปเพราะถ้าร่วงไปแล้วความรู้สึกอยากจะทําบุญมันจะจางคายหายไปด้วยมันไม่ได้ตั้งมั่นอยู่เหมือนเดิมถ้าทําก็คือรีบทาบุญก็จะได้ทําเมื่อทําแล้วมันก็ได้ทําแล้วเรียบร้อยประโยชน์ก็สําเร็จแล้วแต่ถ้าอยากทําแล้วไม่ทําสักทีเนี่ยมีแต่ว่าอยากจะทําอยากจะทําไม่ทําสักทีเนี่ยประโยชน์ไม่เกิดเลยไม่มีความสําเร็จเลยอย่างนี่คือหลักปฏิบัติ หมดหมดก็ยุติการอธิบายธรรมะไล้สดในเช้าวันนี้แต่เพียงเท่านี้